เป็นการถลุงง่ายๆเครื่องทุนแรงง่ายๆมีสติเป็นฉิกขาแล้วถลุงแล้วความโกรธมันยิ่งใหญ่เพราะมีสติมันก็ถลุงออกแล้วความโลภความหลงความทุกข์ต่างๆมันก็มีเท่านี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมากมายแปดเปืนสี่พันเรื่อง มีพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าตกล้าไปแปลว่าสามสามตกร้าอ็สูตรตันตปิฎกสองหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ด้วยใน่สองหมืนสองพันพระธรรมขันพระปิฎมสี่มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จบแล้วเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันธ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 ใบไม้ในมือพระองค์น้อยนิดเดียวผู้เจ้าก็บอกว่าในหลายคำสอนของเราทั้งหมดเหมือนใบไม้ต้งป่าแต่มาสอนพวกเธอเพียงใบไม้กับมือเดียวเท่านี้เป็นคาถาสั้นๆทุกอย่างเกิดแต่เหตุตับแต่เหตุเหมือนคาถาอาาัจฉิสอนสารีบทสารีบทอยากฟังเห็นอาาัจฉิ เรียบไมยเรียบร้อยน่าเรื่อมใสน่าศรัทธาท่านองค์นี้รู้อะไรมานอรู้ธรรมะลรทําไมจะ ง, งดงามอยา่างนี้ใคเป็นครูของท่านเนาครของท่านสอนยังไงเนอะถามมาสัชชีสัชชีก็บอกเรานี้บวชมาเพิ่งบวชมาได้เมื่อีืนเองยังไม่มี ปัญญาที่จะเทศนาสั่งสอนท่านได้แล้วริบุรก็บอกว่าเอาน้อยๆก็พอไม่ต้องมากก็ได้เล้คาถาปสจิอัจคิก็ตัดลงไปว่าเยธรรมเยธรรมาเหตุปพปวาเตสังเหตุตุถากะโตเตสัญจะยุโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโน ต่อไปเป็นภาษามาเราพุทธาพุสอนเราตั้งแต่สิ่งตัเหตุเกิดตเหตุดับที่เหตุแลว้วถ้าโคตร菩萨สตาสมภารสุเจ้าเป็นาศาสดาของเราครูของเราสอนเท่านี้าราธุบุได้ตรงตาเห็นทำเลยจกะกราบอาศัยขีถือเป็นคร อ, อาจารย์อาชิบอกอย่าเลย แต่ก่อนสารีวดชื่ออุปติสสะให้ต้องกราบอัตมาอัตมาเพิงเป็นพระวดใหม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเลยทีเดียวเป็นโคเลยทีเดียวสารีวก็ถามพระพุทเจ้าอยู่ที่ใดอยู่โน้นคงเราจะคลื่อนโน้นสารีวดก็ไปเข้าพระเจ้านน้อยๆเทนี้ ใบมือกับมือเดียวมันก็มีเหตุแล้วก็มีดับที่เหตุอย่างพระพุทธเจ้าตัดฉลุอริสัตสีมีทุกมีสมุทยัยมีโลดมักสี่ข้อนี้เหมือนกับมีเหตุมีผลสองอย่างทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุ นักเป็นเหตุให้โลดเป็นผลไม่เท่าไหร่ทำมันนี้สิ่งนี้นก็เกิดขึ้นต้องมีความรู้สึกตัวมันก็มีเหตุมันจึงไม่หลงพอไม่หลงก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการกระทำํำทำอันเดียวรู้อันเดียวง่ายๆเดี ย, ยกว่าใบไม้กับเบืองเดียวเราจะไล่ถึง คำสอนมีมากมีพระบางลูกพะบทเข้ามาก็าสอนเรื่องนั่นเรื่องนี้แว้วก็สอนก็ไม่มีปัญญาที่รู้ได้ทั้งหมดจํายากง่อยใจรับแช่นใจไม่สามารถที่เรียนรู้ได้กลัวเป็นบาปนี่พี่ชายเป็นคนสอนพี่น้องกันมาบวด น้องชายเป็นคนเปิกหนาสาโหดสอนอะไรก็ไม่จำพิชายก็อายเพื่อนเลยน้องชายศึกซะหลายเพื่อนน้องชายก็ร้องไห้ไปเผ้าพราะพเจ้าพระพิชายเล่ยศึกทำไมจึงเล่ยศึกเพราะเรียนหนังสือยากสอนอะไรก็มาค่อยจำไม่มีปัญญาไม่มีสมองพระเจ้าก็ต้องบอกว่า จะเรียนลายมันต้องเรียนมากดอกก็เลยทิ้งผ้าขาวๆให้ผืนหนึ่งเท่าฝ่ามือเนี่ยให้ปัดละเนี่ยลูปอยู่ณโจฮลันนองณโจฮลันนองณโจฮลันนองรูปผ้าอยู่เรื่อยๆผ้าจากผ้าสีขาวก็กลายเป็นผ้าสีดําไปเลยก็เลยมาเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยมัน ไปสัมผัสกับอะไรจนเป็นพิเรตตัณหาหลาะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเ่าะมันสัมผัสไม่มีสติก็เลยเข้าใจบรรลุธรรมเลยเท้านี้ก็ได้บรรลุธรรมแต่ประชิดยากเกินไปดางทีในสมัยข้าพเจ้าในเอหิงพิคุรปสัมปทา ท่า น, นบวชใหม่เพียงแต่ตัดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำไม่ไหนเราตัดไว้ดีแล้วท่านจงพึ่ปผูพุทธเป็นผู้พุทธทำไม่ไในนั้นให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดถ้าเท่านี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมกันถ้าผู้ใดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้ญญาก็ตัดท่านจงเป็นผู้พุทธธรรมนั่นเถิด พฤชตามทำนั่นเถิดถ้าผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จงเอาพืชตามทำนั่นให้เป็นที่ที่ชื่นทุกเถิดแล้วก็หลีกเข้าไปในป่าโน่นคนไม้นโน่โนเล่นล ว, นวน่างโน่นลอมฟางโน่นทำไม่มีกติเบอร์หนึ่งเบอร์สองสอหนึ่งสสองเหมือนว่าอยู่ที่คนไม้ไปเลยนี่คือ การศึกษาของเราอย่าไปคิดว่ามันยุ่งมันยากเวลามันหลงรู้จักตัวมันยากอะไรไลยย่ยยงในลากลัวยากกว่วเราะยงเหมือนกัดต้องไล่ยงมีมือมีผ้าแต่ว่าไม่ต้องไล่ก็ได้อยู่ในมุ่งซะมีสติเหมือนมีมุ้งงอนในมุ่งฟังเสียงยยงมันบินรอบมุ้ง มีสติเหมือนมีล่มในมือเวลาฝนตกก็กางล้มเวลาแดดออกก็กลางล่มแดดก็ไม่ร้อนฝนก็ไม่เปียกมีสติให้เรามันหลงรู้ไม่เปียกด้วยความหลงเรามันทุกรูก้ไม่เปียกด้วยความทุกเรามันโกรธรู้ไม่เปียกด้วยความโกรธเหมือนมีล่มในมือเท่านี้ก็พอใช้แล้ว เลยว่าต้องมีสติต้องฝึกให้มีต้องหัดต้องมีต้องฝึกกนเดงให้มีไม่ใช่เรียนรู้สติคือความเลือกได้สมัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่ใช่คาพูดการสัมผัสทั้งกายทั้งวิจารทั้งใจเราหลวงตาเคยพูดว่าเอากายมาจุ่มเอาความรู้สึกตัวเอาใจมาจุ่มเอาความรู้สึกตัว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 เันธรรมชาติเป็นอาการสามลอนเป็นอาการของกายไม่ใช่ตัวตนความหนาวความปวดความเมื่อยเป็นอาการของกายของรูปกายไม่เป็นรูปมันไม่เป็นของไข่มันไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้อันเรื่องของกายเรื่องของรูปนี่ไม่มีธรรมชาติไม่มีอาการของหมันตําความเป็นจริง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 ไม่เป็นนั้นเห็นมันร้อนเห็นมันร้อนมันหนาวเห็นมันหนาวมันปวดเห็นมันปวดมันสุกเห็นมันสุกมันทุกข์เห็นมันทุกข์อันนี้ว่าณะโจหันังณโจหันังไม่เปิดเปื่อนกับพวามสุขควงทุกข์เป็นพรหมจัรแล้วไม่เป็นเนี่ยแล้วว่าพมจรรย์ประพฤติพรหมจรรแล้วจะยังไงมันก็อยู่อย่างนี้อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ไม่ไกลสักหน่อยเป็นปัจจุบัง เห็นเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ทำได้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยเอาใจมาจมเอาเวลาได้มันหลงรู้อย่าให้ใจพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์หาคําตอบจากความคิดได้เหตุได้ผลจากความคิดแต่ชิงใจทำตามความคิดความรักก็เกิดจากความคิดความชังก็เกิดจากความคิดมันชีขึ้นมาให้รักก็รักไปบัญชิกันมาโกรธก็เกลียดชังกันไป อย่างนี้ไม่ใช่เราเห็นใจใจมันบริสุทธิ์อยู่ตอนวความเล้วของสุขคมทุกข์มันมาที่หลังไม่ใช่ใจนะเห็นว่าเป็นนามธรรมนั่นเป็นรูปเป็นนามจริงๆเท่านี้มันสรุปลงเท่านี้ไม่ใช่กิเรศพน้าตนะร้อยแปดถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันย่อมันกคำมือเดียวจริงๆแล้วก็เห็นตัวหน้าต่อตาเรานี้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 น้องต่อไปสอนอยู่ที่นิวยอร์กเปิดคลอดอย่างนี้แหละปฏิบัติทมกันมันก็ลำบากกว่าเราเนี่อยู่ที่นั่นมันหนาวมีห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็นั่งเพียงฝาเพียงฝาบ้านขเขาเขาก็ทำเพื่อการนี่โดยตรงมีผมปูมีเบาะนั่งกลมๆรีมากไม่เหมือนอย่างนี้ ้อจอกแบบให้ตาสุกโตอยู่แต่ยังไม่ได้ทําเลยของตาเลยก่อนต้องมีกลงๆ ม, มาทำไมจึงมีแล้วก็มีสองอันคนหนึ่งก็นั่งนั่งแล้วก็อันหนึ่งก็เพียงหลังใส่้านั่งเป็นสี่ห้าชั่วโมงก็ได้เพราะถ้านั่งมันไม่มีทําให้หลังคดหลังงอเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทโรงงานเขาทำพี่นั่งให้มีคนให้หลองตามาหลองตาก็เวลานั้น เอวไม่ดีเยวหักไปยกไมกก้กระดูกคนโคตรก็เคยเป็นทั้งเก้าอี้ให้นั่งตัวหลังแม่มคนหนึ่งมาทําเก้าอี้ให้นั่งก็ถือมาใช่เดี๋ยวนี้เราตั่งอยู่ในเต้นทุกวันนี่ไปดูก็ได้นั่งแข่งกันกับพนนุ่มก็ดอกก็มีสามีพัญญาหนุหน่มๆทั้งคู่ลงหลงตาหนักลพาพ้าว้วยเขานะที่พูดมุจี้ใช่ไหม หักยังไงเวลามาปฏิบัติก็มาสามีปัญญากันมาเมียสาวผัวหนุ่มสามีแต่ว่าเป็นหนุ่มก็ท่าทางเป็นผู้ใหญ่มากตกโขมหลอกพ่อสุภาพปุรุษแต่ปัญญางอนเวลามาบัดบัดบดอาทิตย์หนึ่งชวนสามีกลับบ้านเอา น, นั่งปฏิบัติทรมไปกอ็อ้อนสามีพากลับบ้าน ไม่สู้สามีก็ชวนให้อยู่ก่อนอยู่กเจ็ดวันเท่เานั้นเองแล้วไปมาก็ชวนไปก็ไม่ไปละหลังตาก็เห็นนั่งอยู่หลัตงตานั่งอยู่ตรงว่านั่งกลางกลางแ้วไปมาในเย็นวันนั้นปัญญาก็ลุกหนีไปเลยลุกหนีไปในความมืดมันหนาวมากนะ แลมีกนนั่งอยู่มาเห็นปัญญาเ้าก็ลุกตามไปหอไปหอตามไปในความมืดไม่เห็นปัญญาทมาหาหลงตามาลองฟังผมมีปัญหาแล้วว่าปัญญาผมออกหนีไปในความมืดผมตามหาไม่เห็นเลยผมจะทิ้งมันผมไม่อาเดี๋ยแล้วพามาดีมันไม่เอาดีเอาใจใจมัน มาหานี้ไหมแค่มาเร็วมาลด้มาทําความดีเอามาทําดีไม่ทําดีด้วยมันไม่ได้พิ่งมันไม่เอามันหลองตอาก็หยุดก่อนทําใจดีดีดีแล้วคนนะุณเน่ะมันไม่หนีไปไหนดอกมันมืดมันหนาวมันจะไปที่ไหนได้มันอยู่แถวๆนี้แหละเดียเด๋ยวมวันก็มานะหลวงตาก็บอกคุณนั่งอยู่นี่แหละแล้วมันก็มาคุณต้องเอา มือโอบหลองจูบมันชิดหน่อยก็ได้มันโกรธแต่เราใจดี <c oughs> จูบแย้มมันเลดหน่อยมือรูปหลังมันแล้วบอกมานั่งใกล้ๆก็ออกเข้ามาจริงนะออกเข้ามาเลยตาบอกว่ามาันไม่ไปไหนมันหนาวมากนะขนาดเอาน้ําใส่แก้วไปตั้งไว้นอกหน้าจา้างเลยเป็นน้ําแข็งไปเลยมนะันขนาดนั้นนะเขายังอยู่ได้อันเราในกาลางร่มเดินจะ แต่ผลเนี่ยเดินไปไหนมันเดินไปได้เขามันไปไม่ได้นะกลางวันก็ไปไม่ได้มันหนาวอยู่ในห้องกรรมฐานต้องเป็นแออุ่นไม่ใช่แอเย็นเหมือนบ้านเราแออุ่นจึงอยู่ได้เขาก็ทำเขาทำเหมืนลองตามบอกจูบแจมมืออบรองพูดกันเบาๆทั้งสอนเมียทั่งยกมือสร้างจังหวะทั้งอ่างฟังช่วยเมียท่างจังหวะ เอาไปเมียก็อยากหน้าบัวก็ค่อยบานขึ้นบานขึ้นมานขึ้ น, น, นดี <laughs> ดีขึ้นมาแย้มแย้มแจ่มใสวันต่อมาก็ามางานลงตาทั้งคู่มืออฉันมีความสุขเอาแต่งการเงินมาหลายปีไม่เคยมีความสุขเท่านี้เลยอะไรก็เข้าใจรอบลื่นไปทั้งหมดก็มีกยม้ยิ้มยิ้มมันยาเป็นคนพูด เอความร้อยเป็นความดีเวลาเขาโกรธเราไม่โกรธทาได้ทุกคนเวลาเขาทุกเราไม่ทุกเวลาเขาหลงเราไม่หลงคนอื่นก็ยังช่วยได้แต่เรานี้มันอยู่กับเราแท้ๆฟ้องหลงมันขี่ช่างขี่ม้ามาไหมมันไม่มีมันเกิดขึ้นที่ตาที่หูที่ใจเราอย่ที่รูปที่นามเนี้มันก็มีรูปมีนามเนี่ยแต่ทไมเราจึง เอามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กันไปสตินี่มันใหญ่ที่สุดแล้วหลวงตอ น, ตอ น, นพูดไปเลยนะสติเหมือนช้างไปเลยนะขี้เล็ดเหมือนหมาไปเลยอ <laughs> สติเหมือนนกเินรีนี่บอกนะท่านะาเหมือนมแมลงนิดหน่อยนกเงินรีต้องจับมแมลงได้ทำไมจะให้มันใหญ่กว่านกองินรีล่ะมันเกิดที่หลังรนะู้จันทร์ทีรู้จันทีอย่างนี้น นี่คือเปี่ยนร้ายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมมันเต้นจริงที่ทำได้เพราะนั้นเนี่ยอยู่นี่ในช่วงนี้ก็ฝนตกมันยังน้อยไปถ้าอยู่ประเทศอื่นไม่เหมือนที่นี่นะเราเขายังสู้ได้เวลาเขาเดินออกจากห้องไปเขาวิ่งนะเดินไม่ได้โกโก้เหมือนบ้านเราที่นี่ไม่ได้ผ้าคมหัวเราก็วิ่ง จะขึ้นรถเดิดนตกช้อ ก, ก, ก็วิ่งขึ้นรถลงรถก็วิ่งข้ามาในห้องเป็นอย่างนี้ประเทศดเทโดยเฉพาะสหรัฐแถบที่ตะวันออกแถววดตันแถวนิวยอร์กแถวลาเดนเฟียลองไอวเลนลองไปทั่วทุกภาคเลยสอนดำยาบลำบากระก็ยังสูดด้ได้อันเราในฝนตกเท่านี้ก็อ่อนแอใช่ไหมไล่ะแล้วก็ ลุงตาก็ยังหนุมเนาะเหมือนทร์จันทร์ศิลป์นั่งมีเวลาแม่นยามากเขาใช้เวลาเวลานั่งสอนกรรมฐานก็นั่งในห้องกําหนดก็าสามชั่วโมงผ่านไปตีกดติงติงเรากดติงติงดื่มน้ําจาน้ําจากอยู่ในห้องข้างๆแปลว่าน้ำชาเรกดออกเรากดเรากํานั่ง เรามานั่งก็ให้พูดหลอยแต่เดินมาสามชั่วโมงเนี่ยไปมีปัญหาอะไรพูดออกมาปัญหาที่หนึ่งก็พูดนั่งก็พูดนึ่งพูดพูดไปกไปก็ให้ล่ามเขียนไปเขาพูดหลอยก็พูดหลอยแล้วก็พูดจบทุกคนแล้วก็หมาเฉลยอจะเหลยปัญหานี่หนึ่งก็ถามนี่ก็มีอย่างนี้กันพูดไปพูดพักไม่เกินหนึ่งชั่วโมง เรหมดเวลาไม่ต้องถามเนี่ยกดกรดิ่งริ้งเริ่มลกมือสร้างอยนั่งเราจินข้าวเราจิบข้าวกดกรดิ่งติง้งเดินลงออกจากที่ไปห้องอาหารหลังตาต้องเดินก่อนเดินก่อนก็ไปห้องอาหารหลังตาก็ตักอาหารจุ๊บเฟเหมือนเราอย่างเด็ดอาหารจิตมานั่งมานั่งโต๊ะแถว พอกินเข้าแล้วหลวงตาไมาให้ลูกนั่งก่อนหลวงตาจะยืนพูดจังหน่อยเวลาบ่ายมองไปพบกันเรีย น, นอีกเวลานี่ไปนั่งหน้าแปงควันเวลาถึงเวลาบ่ายมองก็ตรงเวลาปิ๊ บ, บทึบจะห้องเลยเจ็ดวันอยู่เนี่ยสู้ก็หลังบางคนเนี่ยเขาไม่ไมีมารยาทเหมือนเราแล้วเป็นวาสิกาหลวงตานั่งอยู่เนี่ยนั่ง มันยังนอนอยากนอนก็นอนเลยนอนไม่นอนทําไหขำขามาทางเราด้วยกูว่าคนจะแก้งเราก็จะตายความมาเหลินเสียกานอนขามาทางเราน้องตาก็ค่อยค่อยลุกเดินเดิน น, อน้องไม่มาแม่แอมเยอะแล้วไม่กลัวเขาไม่มีมลทัยหมดแล้วอย่างฝลังคนหรืเมียูนนี้เวลาเขางนน่วงนอนมาหมุนโขของสามีนอนเลยสามีก็ปุกะลอิจฉามา อาจจะนั่นเนี่ยอย่าไปกลัวความยากลําบากความยากลําบากทําให้เราเข้มแข็งความสะดวกสบายทาให้เราอ่อนเดอฉันไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่เห็นไม่ทุกข์อะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นหลวงตาไปสอนเิงกรโปนเนี่ยมีผู้หญิงคนนึ่งในว่าชิกาคนนึ่งฉันไม่เห็นมีทุกข์อะไรเงินเดือนก็เยอะ บ้านก็มีอยู่อ้อข้าวก็จะกินเย็นเลยก็ได้ใช่พี่น้องอบอุ่นไม่เห็นไมีทุกขอ์อะไรขึ้นโอะไรมาเป็นความสุขมีเงินมีความสุขเหรือมีงานทํามีความสุขหรือมีบ้านมีข้าวกินมีความสุขไม่ใช่เป็นอามิตรนั่นเองสุขอาหมิดเมื่อขราวใดที่เธอจะทุกข์ใจอะไรล่ะอะไรเป็นอาหมิดโดยเจเจ็บตาคุณทํางานคุณเคยโกรธไหม เขว่าโกรธแล้วกันเวลามันโกรธหรอเอาเงินไปจ้างให้มันหายโกรธได้ไหมเวลาคนทุกข์ของคนใจไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราคนเอาเงินเอาทองเอางานเอาการเอาว่านเอาช่องไปช่วยมันได้ไหมแต่ไม่มีสติเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเอาอะไรมาตทดลองก็การกระทําปฏิบัติทําไม่ถูก เพราะว่าต้องยอมรับว่าเราลู่หลงแน่นอนนี่คือการบ้านของเราเราก็แถบสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยน้องตาไปหมดซอนทอมในแถวนี้มันเป็นหมู่เกาะไปไหนก็ถือล่มเลยฝนตกว้าไม่ร้องไม่มีลมพัดไม่มีอะไรเลยเวลาฝนตกก็ตกลงมาจกุจกจก คนที่อยู่แถบนั้นต้องถือล่มกันทุกคนเหมือนพวกเราที่อยู่ที่ไปทางไหนต้องมีร่มในมือเห ม, ม, ม, มือนมีธรรมะในเมืองไม่ก็อย่าเอาอะไรมาทดลองเลยเอาความแก่ามาทดลองเอาความสุขอะไรมาทดลองอิงอามิตรถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงที่นอนที่มุ้งที่อะไรต่างๆแต่เคยจะโดกสบายมานั่งอยู่นี่หลังขดหลังงออยู่นี่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอย่าไปยึดแบบนั้น ไปพูดถึงรวมสะดวกหนสู้สีลธรราไม่ได้เจ้าข้าชายศีลธรมีบ้านประชาทจำระดูก็ยังมีการบ้านเกิดเจ็บเจบตายนี่เป็นเรื่องที่เป็นการบ้างของเราขอขาดบากายเราต้องแก่ต้องเก็บ ต, ต้องตายเราต้องวลู้เรื่องนี้ให้มันเฉลุยเรื่องนี้ให้ได้จนเข้าถึงเห็นลูกเห็นนาม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 ว่มันหลงเห็นมันหลงว่ามันทุกข์เห็นมันทุกข์มันร้อนมันหนาวมันปวดมีไหมไอ้เชีย้อยเดี๋ยวนี่หิวข้าวไหมเห็นเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวอันดีก็ลูตรงนี้ไปออกแยกไม่เป็นลยเป็นกุ้มเป็นก้อนไปเลยอันนี้ไม่ได้นั่งปฏิบัติธรรมหน้าพูดพูดเขาหยุดลองด่าดาเป็นยังไงหนูตอนนี้แย่เลยเฮ้ยไว ทำไมล่ะมันเครียดคิดมากง่วงก็ง่วงอ๋อตอบจากนี้ไม่ได้นักกรรมฐานไม่ต้องตอบจากนี้ไอ้ตอบให้มันเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> ใช่ไหมมันก็เครียดน่ยมันง่วงมันคิดอะไรฟุ้งซ่านไปหมดแล้วโอนี่อารมณ์มาค่อยดีเอาอะไรเอาอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตน นักก้กรรมมาถามเขาไม่ตอบต้งนี้เราเอาตอบใหม่ตอบใหม่ตอบใหม่สองตามันเลยสองแบบนี้ให้เห็นมันมันคิดก็เห็นมันสุขก็เห็นมันทุกนะข์ก็เห็นมันเครียดก็เห็นมันสงบก็รู้มันพุ่งซ้ำก็เห็นมันอตาสอนอย่างนี้นะรำตอบใหม่ตอบใหม่โอ้ยตอบใหม่แลอนนี้หนูเห็นมันเครยียดเอออย่างนี้ตอบอย่างนี้ เห็นม so ันง่วงเออตอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นมันเครียดหน้าตาก็ค่อยๆไม่งอกไม่งอนมันก็แล้ขึ้นมาสำใจขึ้นมาเพราะนั่นเราแยกไม่เป็นเรื่อยถะลุงไม่เป็นย่อยไม่เป็นเอาความเพียดมาเป็นตัวเป็นตนเอาความง่วงมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้มันใช่ไม่ได้จึงต้องฝึกตนสอนตนคือโอกาสในขณะที่มัน ไม่ใช่สตินะ่ะเป็นโอกาสที่เราเรียนรู้มันหลงก็ดีจะได้เห็นความหลงมันทุกข์ก็ดีจะเห็นความทุกข์อะมันทํากับความทุกข์อย่างนี้ ท, ทําทีใดมันรู้อย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปมันก็เหมือนกับลาเราผ่านไปผ่านไ ป, นไปเอาไว้หลังเอาไว้หลังเหมือนเราเดินทางจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งอเอถ้าบ้านหนึ่งไว้หลังเลยไปเลยไปก็มีจุดหมายปลายทาง ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความอะไรต่างๆผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไ ป, นไปร่วมมักมักไปว่าดูเนี่ยมักไปว่าดูเนี่ยไม่ใช่ไปท่องสัมมาทิทาติสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมาามาวัยมะสัมมาอะไรต่างๆสัมมาสติสมมัมมาสัมมทิอันจะเป็นอนะีกเด่นต่อตอนที่เป็นสัมมาทิตฐิมันต้องมีความรู้ก่อนเป็นกําเนิดเป็นมารดาของปัญญา ความหลงเป็นมันดาของอวิชชามันก็แยกกันตรงนี้หรออวิชชาก็เกิดสังขารสังขารเกิดนามลูกนามลูกเกิดเยตนายานตนาเกิดปัจจักตะเกิดเวทนาเวทนาตนาัณหาโบราณพบญาติมลามามนัก็เจริญตายไปหรอนอวิชชาคือความหลงเพราะมีวิชชา ฉล า, า, ม, ามื่อหน้าไม่มีเกิดมันก็ต่อมาตวนมาลือาล่อมาเลื่อ่าเรียกวนุหลงไปฏิโลมอนหนึ่งมัไปอันหนึ่งมันกลับมาอ่าปกติปกติเนี่ยมันต้นต้นที่นี่ต้นเด็มีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่หลงไม่ามากตอนรักษาชิ้นก็เอาตัวรู้เดียวเป็นชิ้นเลยเป็นชิ้นเลยเลยถ้าไปควบคุมอิจนะทั้งหมดมัน เหมือนจะปูจกกะกระดงมันไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เลียบไปเลยสำบวมปัมิโมกไปเลยตาหูจะบกดิ้นไปเลยขนาดนี้นะเรียกว่าพลังเป็นพละพละห้าศรัทธาวิยาิยะสติสมาธิปัญญาเนยะเป็นพละพละเพื่อทำความดีได้สำเร็จลว